ในโอกาสนี้นะคะวัดพระธาตุกดแก้วได้รับพระเมได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อประโมทประโมทโชนะคะบัดนี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะที่พวกเราจะได้ฟังธรรมะในหัวข้ออัศจรรย์แห่งธรรมะครั้งที่1ิบนะคะโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาหลวงพ่อแสดงธรรมค่ะเรลยพรท <c oughs> ีนี้เทคโนโลยีมันก็ดีนะหลวงพ่อไม่ต้องนั่งหรือบินไป ท้าไม่สบายมาสองปีได้แต่ปีไกลเดินทางไม่สะดวก <c oughs> <c oughs> ที่จริงเราการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากอะไรถ้าเรารู้หลักแล้วถึงเราอยู่ห่างครูบาอาจารย์ เราก็ปฏิบัติได้ <c oughs> ตอนที่หลวงพ่อฝึกปฏิบัติหลวงพ่อเป็นคารวะเหมือนพวกเราตอนนี้ <c oughs> นานๆจะได้ไปกราบครูบาอาจารย์สักครั้งหนึง่ง <c oughs> แต่พอหลวงพ่อรู้หลัก ได้หลักการปฏิบัติจากครูบาอาจารย์แล้วเอามาทำเองทำไม่เลิกไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์ควบคุมเราปฏิบัติของเราตั้ง อ, อกตั้งใจทุกวันทุกวันฝึกตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับไปทั้งวันเนี่ยมีเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติอยู่สองช่วงช่วงที่นอนหลับ กับช่วงที่ทํางานที่ต้องคิดอย่างเวลาเราทํางานที่ต้องใช้ความคิดเราอ่านเอกสารเราวิเคราะห์งานคิดวิธีแก้ปัญหาต่างๆในเวลาอย่างนั้นเราปฏิบัติไม่ได้เพราะสติสมาธิปัญญาของเราไปอยู่กับงานส่วนในเวลาหลับนะั้นจิตเราลงผวังไม่ขึ้นมาทํางาน เราปฏิบัติไม่ได้เงินนอกเหนือจากเวลาที่ทำงานกับเวลานอนหลับเนี่ย <c oughs> เราปฏิบัติได้ตลอดหลวงพ่อไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองอยู่ห่างครูบาอาจารย์ต้า <c oughs> แต่เข้าไปกราบหลวงปู่ดูลครั้งแรก <c oughs> เดือนกุมภาสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าก็มีความรู้สึกเหมือน หลวงปู่อยู่กับเราทุกวันแต่ละวันเนี่ยนึกถึงหลวงปู่ไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งจะทําอะไรนะก็คอยนึกถึงหลวงปู่เรื่อยๆในใจที่มันจดจ่ออยู่กับครูบาอาจารย์มันได้สมาธิอยู่ในตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกเรื่อยๆเหมือนครูบาอาจารย์ดูเราอยู่ อาศัยการนึกถึงของเรานะนึกถึงครูบาอาจารย์เวลาเราทําอะไรเหมือนครูบาอาจารย์ดูเราเราจะทําทชั่วเราไม่กล้าทำเราเอาละอายใจกับครูบาอาจารย์หรือาบางอย่างเราขี้เกียจบางวันเราขี้เกียจอะไย่างนี้ไม่อยากภาวนานึกถึงครูบาอาจารย์ก็ต้องขึ้นมาภาวนา มีความอดทนนะแล้วก็ใจเราเชื่อมต่ออยู่กับครูบาอาจารย์เรื่อยๆไม่รู้สึกว่าท่านอยู่ไกลแต่รู้สึกเหมือนท่านมาคุมการปฏิบัติให้เราบางคราวเวลาปฏิบัติติดขัดเราไม่รู้จะภาวนายัางไงบางครั้งเกิดปัญหาไม่เหมือนพวกเรารุ่นหลังนี้สบาย ตอเรารุ่นหลังๆนี่มีปัญหานั้นก็าถามมีอินเทอร์เนต็ตมีอะไรเยอะแยะสมัยนู้นไม่มีต้องนั่งรถไปเราถามไม่ได้แต่เราค่อยๆนึกถึงว่าครูอาจารย์สอนอะไรแล้วลงมือปฏิบัติค่อยๆสังเกตไปมีความรู้สึกนะเหมือนท่านมาสอนเราบางทีเหมือนท่านมาเทศให้เราฟัง เวลาติดขัดอะไรสักอย่างเหมือนอย่างพวกเราตอนนี้หลายคนมาบอกหลวงพ่อเรื่อยๆว่าเวลาภาวนาติดขัดเลยได้ยินเสียงหลวงพ่อไปบอกทั้งทที่หลวงพ่อไม่ได้ออกจากวัดเราก็ไม่ได้แสดงปฏิหารไปบอกหรอกนะแต่จิตของพวกเราเองที่มันนึกถึงครูบาอาจารย์คล้ายๆมันเชื่อมต่อสัญญาณกันกะ แ, แสธรรมะมันก็ถ่ายทอด จากครูบาอาจารย์ไปถึงพวกเราดีเพราตอนที่หลวงปู่ดุลท่านมรณภาพไปแล้วนะั้นหลวงพ่ออยากใช้คำว่าท่านนิพพานไปแล้วแต่คนจะหาว่าอ ว, วดอุตรีรู้ได้ยังไงว่าท่านนิพพานยุคนี้พูดอะไรก็ยากไปหมดนะบอกท่านมรณภาพไปเนะี่ยร่างกายท่านถูกเผาไปแต่ว่ามันเหมือนท่านดูแลเรามากกว่าเก่าอีก จะทำอะไรเนี่ยเหมือนท่านเป้าเหมือนท่านจ้องมันทำให้เราลาเลยการปฏิบัติไม่ได้ขยันดูของเราทุกวันทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับงิ่การปฏิบัติเนี่ยต้องฝึกนะอย่าละเลยพยายามฝึกให้ได้ทั้งวันตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกตัวเลย ความรู้สึกตัวหรือความมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นียเป็นเครื่องมือสําคัญที่สุดเลยในการปฏิบัติคู่กับสัมปชัญญะสติเป็นความรู้รู้สึกตัวเองนะรู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเองมีสัมปชัญญะก็รู้หน้าที่ของเราว่าเรามีหน้าที่เรียนรู้ความจริงของกายของใจในี่มันคอยกํากับอยู่ บางครั้งเราก็หลงพลาดไปเราดูกายเราบังคับกายดูใจเราบังคับใจสมรชัญญาคือตัวปัญญาให้มาบอกเราว่าเราทำผิดหน้าที่แล้วหน้าที่เราเนี่ยให้เรียนรู้ความจริงของกายของใจอย่างที่เขาเป็นนี่หลวงพ่อฝึกปฏิบัติมานะใช้เวลาไม่มากในการปฏิบตัติไม่ได้ช้ากว่าพระนะ การปฏิบัติในขั้นต้นๆเนี่ยไม่ช้ากว่าพระหรอกคารวะเนี่ยถ้าเรามีความใส่ใจที่จะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจคอยเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองเรื่อยๆไปบางทีพระเคยถามหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่อภาวนาอย่างไรตอนนั้นหลวงพ่อเป็นคารวะบอกบอกว่าโยมภาวนาได้ยังไงปีหนึ่งเนี่ยเหมือนพระภาวนาสิปียี่สิบปีไม่ได้เท่าโยม หลวงพ่อบอกท่านว่าหลวงพ่อพานาตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตื่นจนหลับไปเนี่ตอนที่เราตื่นเนี่ยไม่คิดอะไรพุ่งสร้างตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตมันเคลื่อนขึ้นจากรวังรู้ทันจิตที่เคลื่อนขึ้นมาเหมือนเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นภายในความรู้สึกทางใจนี่เกิดขึ้นก่อนแล้วความรู้สึกทางใจเนี่ยขยายตัวออกมากระทบร่างกายะกรปรากฏร่างกายที่กำลังนอนอยู่ เนี่ยเราเห็นการทำงานตั้งแต่จิตมันขึ้นจากพอวังมาเคลื่อนไหวขึ้นมาเราก็เห็นแล้วแล้วก็มันมารู้สึกขึ้นที่ร่างกายแล้วก็รู้ทันเห็นร่างกายมันนอนนอนท่าไหนอะไรอย่างี้เราก็รู้จิตใจเราจะสุขหรือจะทุกข์อะไรมันก็รู้รู้ตั้งแต่ตื่นเลยเพราะนตั้งแต่ตื่นจนหลับในยยกเว้นตอนที่ทำงานที่ต้องคิดเนย หลวงพ่อรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่เสมอไม่มีใจลอยนะใจหลวงพ่อเนี่ยไม่ลอยมาแต่ไหนแต่ไรละเราตั้ง แ, แต่เด็กตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ยฝึกสมาธิเรียนจากท่านพ่อรีปัโสการามท่านสอนอานาปนาสติให้ปรากว่ามันถูกจริตหลวงพ่อหลวงพ่อหายใจแล้วจิตตั้งมั่นจิตสงบได้อยากสงบก็ได้อยากให้ตั้งมั่นก็ได้ เวลาเราอยากให้สงบนะเราก็มีสติหรือรึกรู้ลงไปที่ลมหายใจนะในลมหายใจระงับไปจิตจะสว่างไสวพักผ่อนเราอยากให้จิตตั้งมั่นเราหายใจไปแล้วจิตมันเคลื่อนไปเรารู้จิตมันเคลื่อนไปเรารู้ไอสิ่งก็ ต, ตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราก็เรียนรู้กายรู้ใจได้ะเห็นกายเห็นใจเขาทางานไปเรื่อยๆ เนืวิธีการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในแต่ละวันอย่าละเลยอย่าขี้เกียจอย่าฝันวันประกันพรุ่วงปัญหาใหญ่ของนักปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ไม่ปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติแล้วทําไม่ได้หรือทํายากเกินไปการปฏิบัติจริงๆนี่มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจใครๆก็รู้สึกได้ทุกคนรู้สึกได้ แต่ละเลยที่จะรู้สึกเท่านั้นเองทุกคนรู้สึกได้ยังไงเย่างร่างกายขาดเนี้มันนั่งอยู่พวกเรารู้สึกไหมร่างกายนั่งใครรู้สึกว่าร่างกายนั่งลองขยักหน้าสิลองขยับขยับสิรู้สึกไหมร่างกายขยับร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกได้ไหม <S 2> <S 2> <S 2> เรารู้สึกได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเราไม่จาเป็นต้องวางฟอร์มเอาละต่อไปนี้จะรู้สึกร่างกายละ เราต้องวางปลอมเ <c oughs> นี่ยต้องวางปลอมนะทางร่างกายบังคับร่างกายเรียบร้อยก็เริ่มบังคับใจทําใจขึ้นทำขึ้นๆแล้วมาดูกายที่ร่างกายนั่งอะไรเงี้ยไรสาร่าที่สุดเลยขนาดเนี้ยเรารู้สึกได้อยู่แล้วว่าเรานั่งเ<ม>นี่ยบางคนก็เก่าใช่ไหมนั่งเก่าโน้นเกานี้ยรู้สึกได้ไหมว่าเ่าเราเราเก่าอยู่เราเคลื่อนไหวอยู่น ดังนั้การปฏิบัติการเจริญสติเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะอย่างสติปัฏฐานเนี่ยอันแรกกายานุปัสนาการรูก้การตามรู้กายหนึ่งๆเนี่ยตามรู้กายหนึ่งๆอันแรกเลยแบบแรกเลยคือเรื่องอนาประสตะิหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่างพวกเราตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกไหมรู้สึกได้ไหม กำลังหายใจออกกำลังหายใจเข้ารู้สึกได้ไหมมันรู้สึกได้ทุกคนไม่ใช่เรื่องประหลาดนะงั้นเราไม่ต้องไปทำจิตใจให้ผิดปกติจิตใจปกตินี่แหละเราคอยรู้สึกไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวถ้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเราก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันอยู่แล้วหรือบางคนไม่ชอบอนาปนสติ จะรู้อิริยาบทสี่ก็ได้ในกายานุปัสสนาสติปท า, านบัพระที่สองเนี่ยเรียกว่าอิริยาบทบัพพะนั่งอยู่ก็รู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้อย่างขณะนี้พวกเรานั่งอยู่รู้ตัวไหมว่านั่งอยู่รู้ก็รู้ได้ใช่ไม้มแต่ส่วนใหญ่ละเลยไม่สนใจที่จะรู้ว่าร่างกายหายใจหรือร่างกายนั่งถ้าสนใจทุกก็รู้ได้หมดละ งันหลวงปู่ดุลเคยสอนหลวงพ่อนะว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินั้นการปฏิบัตินันไม่ยากอะไรรู้สึกกายรู้สึกใจใครใครเขาทำได้แต่ละเลยที่จะทำอย่างขณะนี้หายใจออกหรือขณะนี้หายใจเข้าก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้ไม่สนใจที่จะรู้ขณะนี้ยืนเดินนั่งนอนรู้ก็รู้ได้แต่ไม่อยากรู้ไม่สนใจจะรู้ะหรือขณะนี้เคลื่อนไหวขนาะนี้หยุดนิ่ง การเห็นร่างกายเคลื่อนไหวการเห็นร่างกายหยุดนิ่งเนี่ยเป็นการเจริญกายานุปัสนาสติปฐานในบัพพะที่สามในบทที่สามชื่อว่าสัมปชัญญะบัพพะเพราะฉะนั้นอย่างเราบางคนดมยาดมเนเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็รู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยเราไปฝึกเรื่อยๆนะต่ไปสติเราจะอัตโนมัติขึ้นมา อย่างเราเวลาเราเผลอตัวจังหวะหายใจของเราเปลี่ยนสติจะเกิดเองเลยเพราะเราเคยฝึกอนัปปนาสติหรือเราเผลอตัวอยู่นะอิริยาบถของเราเปลี่ยนขยับขยื่อนเปลี่ยนแปลงสติจะเกิดขึ้นเองอัตโนมัตินะหรือเรากําลังเผลออยู่แต่ร่างกายเกิดขยับขึ้นมาเนี่ยสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพรสติเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเจริญสติปัฏฐานบ่อยๆมีสติรู้สึกร่างกายบ่อยๆก็ได้มีสติรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้ความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เรื่องยากใครๆก็รู้สึกได้อย่างขนาดนี้ในร่างกายของเราเดี๋ยวก็มีคันใช่ไหมบางคนก็คันบางคนก็เมื่อยอันนี้ก็เป็นเวทนาทางกายแต่เวทนาทางกายเนี่ยมีข้อยากอยู่นิดหนึ่งคือมันย้ายที่เรื่อยๆไป เวลาเราดูนะบาอทีเราคันที่เท้าเบางทีเราคันที่หูอะไรเนี้ยจิตเรามันจะวิ่งไปวิ่งมาเพราะนถ้าสมาธิไม่ดีพอนะจิตมันวิ่งไปวิ่งมาเราเรยเผลอไปเลยนะเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ที่ดูง่ายนะคือเวทนาทางใจเราดูอยู่ที่เดียวรู้อยู่ที่ใจเรานะขณะนี้ยใจเราเป็นสุขหรือใจเราเป็นทุกข์รู้ได้ไหมตอบได้ไหมใจเราสุขหรือใจเราทุกข์หรือใจเราเฉย ในใจเราจะมีความรู้สึกสามอย่างนี้ตลอดเวลานะไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยนะก็มีอยู่เท่านั้นเองงั้นสามอย่างเนี้ด้วยเวทนาสามอย่างเนี้หมุนเวียนอยู่ในใจเราตลอดวันตลอดคืนนะตอนนอนหลับไปนะจิตลงผวังไม่รับรู้ส่วนเวลาอื่นที่จิตขึ้นมาทํางานเนี่ยเวทนาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเลยนะเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วเราสามารถรู้ได้ งั้นถ้าเราจะมีสติคอยรู้ไปจิตใจเราเป็นสุขเราก็รู้จิตใจเราเป็นทุกเราก็รู้จิตใจเราเฉยๆเราก็รู้หัดรู้ได้ได้ๆนั่นคือการฝึกให้มีสติต่อไปเวลาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเรานะพอความสุขเกิดขึ้นปุ๊บสติเกิดเองหรือความทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสติเกิดเองจะเกิดขึ้นอัตโนมัติงั้นการที่เราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาคือสติอัตโนมัติ เอี่ยงเราคอยรู้ร่างกายหายใจเรื่อยๆเนี่ยพอจังหวะหายใจเปลี่ยนสติอัตโนมัติจะเกิดเราคอยรู้อิริยาบถ4ี่ยืนเดินนั่งนอนบ่อยๆพออิริยาบถเราเปลี่ยนสติอัตโนมัติจะเกิดหรือเราคอยรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งพอร่างกายเราขยับนิดเดียวสติมจะเกิดหรือเวลาดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจบ่อยๆพอความรู้สึกในใจมันเปลี่ยนสติมจะเกิดเองจะเกิดเอง ฝึกอย่างนี้ให้มากนะสติยิ่งมากยิ่งดีไม่ใช่สติแบบเข้มข้นแข็งแข็งเครียดเครียดนะสติที่ดีที่สุดคือสติธรรมดานี่เองนะรู้สึกขึ้นมาเรารู้ตัวไปธรรมดาธรรมดานี่เองนี่บางคนไม่ชอบดูกายไม่ชอบดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เราดูกิเลสหรือก็ดูหูสนในใจก็ได้ ระหว่างกูศนในใจกับอากูศนในใจตัวไหนเกิดบ่อยกว่ากันนึกออกไหมใครกูศนเกิดบ่อยยกมือสิทั้งสองที่เลยนะที่วัดนี้ด้วยวันหนึ่งใครกูศนเกิดบ่อยมีไหมแล้วใครอากูศนเกิดบ่อยมีไหมเออพวกที่ยกมือว่ากูศนเกิดบ่อยอยไปหา ด, ดูใหม่นะ <laughs> วันวันนะกูศนเนี่ยเกิดน้อยมากเลย แต่ละคนถ้าวันๆกุศลเกิดบ่อย้ต้องเป็นกล้าริยะปลายๆแล้วใกล้ๆจะจบแล้วแต่สติอัตโนมัติมันเกิดทั้งวันแล้วสมาธิอัตโนมัติเกิดทั้งวันแล้วปัญญาอัตโนมัติไม่เกิดเองแล้วเนื้อผ้านาคาแก่ๆไม่ใช่แก่อายุนะหมายถึงแก่กล้าผ้านาคาแก่ๆนะถึงกุศลมันจะเยอะอย่างโดยสภาพวาจิตยอย่างพวกเรานะอาคุศลเยอะ ใจลอยไม่น่ากุศลนะใจลอยอย่างคนที่ยกมือแต่คี้ว่ า, ากุศลเยอะวันหนึ่งใจลอยบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยนะแต่ใจลอยนานถ้าใจลอยนานเนี่ยแสดงว่าชั่วโมงของอกุศลเนี่ยยาวนานมากเลยถ้าใจลอยบ่อยดีนะแสดว่าเผลอปุ๊บรู้สึกเผลอปุ๊บรู้สึกเนี่ยหม้กุศลกับอกุศลเนี่ยใกล้เคียงกันอะกุศลมากกว่ากุศลอยู่หนึ่งนะอย่างทั้งวันเนี่ยคนไม่พอนาวนะ มีอภูษณ์ครั้งเดียวคือเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับนะพอเรามาฝึกปฏิบัตินะเรารู้สึกตัวได้หนึ่งครั้งในวันเนี้ยนะก่อนที่จะรู้สึกตัวเนี่ยเราเผลออยู่แล้วเราก็รู้สึกตัวแล้วเราก็เผลอต่อเห็นไหมมันเผลอสองครั้งแต่รู้สึกตัวครั้งหนึ่งอภูษณ์มันชนะอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะไม่มีหรอกไอ้ที่ว่าภูษณ์เยอะกว่านะเราไปสังเกตดูนี่การปฏิบัตินะที่จะได้มากได้ผลนะไม่ใช่จําเป็นว่า กุศลต้องเยอะกว่ากุศลนะกุศลบางอย่างเนี่ยมีกําลังอ่อนกุศลบางอย่างมีกําลังกล้าไหนกุศลที่มีกําลังกล้าก็คือตัวปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราเดินปัญญาเราเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะไม่จําเป็นต้องเห็นยี่สิบสี่ชั่วโมงนะไม่ต้องถึงสิบสองชั่วโมงนะวันหนึ่งอาจจะรวมเวลาที่หลงหลงเผลอเผอโกรธโลภอะไรเข้าไปด้วยนะอาจจะเจ็ดแปดชั่วโมง เวลาที่มีปัญญาเนี่ยชั่วโมงเดียวแต่ว่าชั่วโมงเดียวที่มีปัญญาเนี่ยพลังงานมันมหาศาลมันเป็นกุศลใหญ่กุศลที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเพราะนั้นไม่ใช่จําเป็นว่าเจชนะกิเลสเนี่ยชั่วโมงของกุศลกับชั่วโมงกิเลสเนี่ยต้องเท่ากันหรือกุศลต้องมากกว่ากุศลที่เกิดน้อยครั้งแต่ว่าพลังงานมันมากนะมันดีกว่ากุศล จุกจิกยุกจกอะไรเกิด บ, บ่อยๆแต่ไม่มีพลังะกุศลแรงนิดๆหน่อยๆอย่างอยากทําบุญอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอยากนอยากทําบุญอยากฟังเทศนเี่ยชิดเป็นกุศลแต่เป็นกุศลที่ไม่มีปัญญาคํากับแล้วเรารู้ไม่เท่าทันความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจ น, ะ น, ะนะั้นเราฝึกนะการที่จะคอยรู้กายคอยรู้ใจไม่ใช่เรื่องยากนะ Out, หายใจออกหายใจเข้าหรือเปล่ารู้ได้ไหมใครๆก็รู้ได้ยืนเดินนั่งนอนนะกําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนใครๆก็รู้ได้นะกําลังเคลื่อนไหวกําลังหยุดนิ่งใครๆก็รู้ได้นะกําลังสุขกําลังทุกข์กำลังเฉยๆอยันนี้ก็รู้ได้รอบขึ้นมานะโกรธขึ้นมาหลงขึ้นมารู้จากรอบโกรธหลงไหมรอบเป็นไหมรอบ เนี่ยอย่างถ้าอยู่วัดหลวงพอเนี่ยจะเห็นโรปชนิดหนึ่งนะเกิดบ่อยคือแย่งกันนั่งข้างหน้า น, ะนี่พวกโรบนะถ้าตายตอนในขณะโลภะตัวนี้เกิดก็ไม่ได้เป็นเปรต ป, ประจำศาลานะไม่เป็นเปรต ป, ป, ประจำศาลานะทุกวันจะต้องได้นั่งฟังเทศแถวหน้านะเพราะใจมันโรบแล้วไม่เห็นเนะนี่ยโรคเนี่ยเห็นไหมรู้จักไหมอยากนะ อยากนอนอยากนี่มันอยากได้ทั้งวันนะเพราะฉะนั้นใจมันอยากขึ้นมาเราก็รู้ทันอย่างนี้เรียกว่าเราหัดเจริญสตินะเรียกว่าจิตจิตตาโนปัสสนสติปัฏฐานมีสติคอยรู้ทันกุศลอกุศนะลที่เกิดขึ้นในจิตเราอย่านงะจิตเราอยากฟังธรรมเราก็รู้นะฟังไปช่วงหนึ่งเราเบื่อเนะี่ยความอยากฟังธรรมดับไปแล้วเกิดเบื่อขึ้นมาแทนเบื่อเป็นโทสนะจิตแปนะ็นอกุศลเรียบร้อยแล้วเราก็มีสติรู้ทันว่านะ ข้าเปื่อขึ้นมาแล้วนี่ะเนี่ยฝึกรู้ไปเรด้วยนะคนไหนขี้โกรธวันๆก็คอยสังเกตไปเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายทั้งวันมีแต่แบบนี้มีแต่โกรธแล้วก็หายโกรธแล้วก็หายนะหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปพอความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องเจตนาจะรู้มันรู้ได้เองมันจะรู้ขึ้นมาได้เองนี่เรียกสติอัตโนมัติมันเกิดะคนไหนขี้โลภเจออะไรก็ชอบหมดเลยอยากได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะ มาวัดเนี่ยนั่งเก้าอี้รู้สึกเก้าอี้ตัวนี้ดีนะน่ายกกับบ้า น, นอบางคนที่ชอบพัดลมตัวนี้สวยนะหรือบางอย่างนะกระทั่งยาดมของหลวงพ่อเนี่ยยังหายเลยมัน ค, คงไม่เอาไปดมหรเพอาไปห้อยคอมากกว่าเนี่ย ใ, ใจมันโลภขึ้นมานะให้รู้ทันบางคนมันขี้โลภเจออะไรมอยากได้หมดอ่ะเจอกระทั่งยาดมหรือยากจะเอาหรือ ย, อยาดมใช้แล้วด้วยนะ ยังไม่ได้ใช้ขี้มโมออกเลยนะไม่ยังจะเอาเนี่ยใจมันโลภถ้าเราจะฝึกสตินะใจโลบขึ้นมาเราก็รู้ใจหายโลภเราก็รู้เนี่ยฝึกแค่นี้เองคนไหนขี้โกรธนะโกรธขึ้นมาก็รู้หายโกรธก็รู้คนไหนขี้โลภ ก, ก็คอยรู้ใจมันโลบขึ้นมาก็รู้ใจมันหายโลภ ก, ก็รู้นะคนไหนชอบใจลอยเราก็ทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะพุโทโธไปหายใจไปแล้วจิตเราหนีวิคิดเนี้เราคอยรู้ นะเนี่ยใจมันตึงสั่นแล้วมันใจลอยหนีไปแล้วมันลืมพุโทโธแล้วลืมลมหายใจแล้นะฝึก อ, อย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันนะไอ้สติปัฏฐานที่หลวงพ่อพูดมาตั้งหลายอย่างดูกายดูเวทนาดูจิตเลยเนี่ยเวลาฝึกเนะี่ยฝึกหลักๆเอาวันเดียวพอนะไม่ต้องฝึกทุกชนิดนะเวลาฝึกเนี่ยเอาวันที่ถนัดที่สุดที่เด่นชัดที่สุดในขณะนั้นนะวันนี้เวทนาเด่นชัดดูเวทนานะวันนี้ กุศลน่ะกุศลเด่นชัดก็รู้กุศลน่กุศลบางวันนะเราปฏิบัตินะทุกวันสมมติทุกวันเราไปดูนะจิตมีความสุขเรารู้จิตมีความทุกเรารู้อะไรเงี้ยนะถ้ามาจิตมันโกรธเงี้ยนะไม่ใช่ว่าจะต้องย้อนไปดูว่าตอนโกรธเนี่ยสุขหรือทุกข์ไม่จําเป็นเลยนะจิตโกรธรู้ว่าโกรธไปเลยไม่จําเป็นต้องกอะตายอยู่ที่เวทนานเดียวหรอกนะถ้าตัวไหนเด่นขึ้นมาก็รู้ตัวนั้นแหละนะ แต่อย่าไปเปลี่ยนเล่นเมื่อคนเปลี่นเล่นนะเดี๋ยวก็จะรู้กายหนึ่งชั่วโมงไปรู้เวทนาหนึ่งชั่วโมงไปรู้จิตหนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงเนี้เต็มไปด้วยความฟุง้งซ่านใช้ไม่ได้หรอกดะงนั้นเรามีกรรมฐานพื้นฐานเลยกรรมฐานหลักเนี่ยอันเดียวส่วนจิตจะแฉลบออกไปรู้กายรู้เวทนารู้จิตอะไรแล้วแต่เขาไม่ถึงขนาดก็ต้องห้าม พอไม่มีอะไรจะรู้แล้วก็กลับมารู้กรรมฐานพื้นฐานของเราเนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปสติอัตโนมัติมันจะเกิดอย่างพอโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติระลึกรู้ได้ว่าโกรธแล้วนะโลภพึ้นมาปุ๊บสติระลึกได้ว่าโลภแล้วไม่ได้เจตนาระลึกระลึกได้เองมีความสุขเกิดขึ้นสติระลึกได้ว่ามีความสุขแล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นสติระลึกได้ว่าทุกข์แล้วนะ เราไม่ได้เจตนามันรู้ได้เองนะหรือสร้างกายเราหายใจออกหายใจเข้านะหายใจไปเรื่อยๆโกยิบเลย น, นพราะเราเจอสาวสวยนะใจเราเต้นตุ๊บตุ๊บุ๊บุ๊บเลยนะใจสั่นเลยเจอสาวงามนะใจสัน่นรู้ว่าใจสัน่นอย่างนี้ก็ยังใช้ได้นะอย่างนี้ก็ยังรู้กายอยู่นะหรือ พอเจอสาวนะใจมันมีราคาขึ้นมานะแหมมันหายใจเร็วขึ้นเวลาคนมีกิเลสจะหายใจแรงขึ้นมีราคามีโทสะจะหายใจแรงขึ้นอันนี้ดูออกไหมเคยเห็นไหมเวลาโกรธหายใจเร็วขึ้นไหมเวลามีราคาหายใจแรงขึ้นไหมลองไปสังเกตตัวเองดูนะพวกนี้มีไหมเวลามีราคาหายใจแรงขึ้นไหมเวลาโกรธมีโทสะหายใจแรงขึ้นไม เนี่ยถ้าเราฝึก อ, อนาปนาสตินะเรามีสติหายใจไปได้วยเนี่ยเวลากิเลสเกิดเราเกิดมองกิเลสไม่เห็นนะแต่เราจะเห็นว่าจังหวะก า, ารหายใจเปลี่ยนนะเนี่ยถ้าเราเก่งทางกายานุปัสสนานะเราดูจิตไม่เป็นไหนกิเลสเกิดเราไม่เห็นนะแต่ว่าจังหวะหายใจเปลี่ยนเรารู้ละพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันจสังเกตออกอ้านี่มันโกรธแล้วเนี่ยจังหวะหายใจมันเปลี่ยนนี่มันหน้ามืดแล้วอื่นละอะไรงเงี้ยนะอ จะใช้คำแรงนิดนึงเพื่อมันจะได้สะท้อนความรู้สึกนะเวลาหื่นขึ้นมารู้สึกไหมมันจะหายใจแรงเอนะถ้าบอกว่ามีราคาแล้วหายใจแรงฟังแล้วเพลนเพลนฟังแล้วไม่ค่อยรู้สึกนะนะเวลาบ้าดีเดือดอย่างนี้ยหายใจแรงไหมหายใจเหมือนคนบ้าเลยหายใจเหมือนหมาบ้าหอบแดดเคยเห็นหมาบ้าหอบแดดไหมหมาบ้าแล้วก็มันตากแดดนะ เนี่ยเวลากโกรธนะทําไมมันต้องหายใจเร็วขึ้นเพราะว่ามันต้องการเผาผลาญต้องการออกซิเจนไปเผาผลาญพลังงานเพื่อเอาไปสนองราคะสนองโทสะเนี่ยกลไกของจิตมันเป็นอย่างนั้นนะมันบังคับมาที่ร่างกายจิตมีราคาร่างกายก็เปลี่ยนแปลงจิตมีโทสะร่างกายก็เปลี่ยนแปลงบางคนดูเข้าไปที่จิตได้เลยนะจิตมีราคาก็รู้จิตมีโทสะก็รู้ ดูตรงนี้ไปเลยบางคนดูตรงนี้ไม่เห็นเขาดูมาที่ร่างกายนะร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างบางคนไม่เห็นตอนโกรธนะเนี่ยหลวงพ่อเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะกับประเภทศเศรษฐีเศรษฐีเอาแต่ใจนะสามีก็เกรงกลัวนะเป็นภรรยาที่สามีเคารพนับถือมากใครๆก็กลัวแกนะแต่ว่าเวลาแกอารมณ์ดีนะแกะเปแกใจนะ เจอใครเลี้ยงหมดเลยจ่ายเงินเลี้ยงคราวหนึ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเด็กส่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันส่งผิดโตะ๊ะไปส่งโต๊ะอื่นก่อนโต๊ะอื่นนะ่ะเข้ามาทีหลังแกนะแกะโกรธมากเลยนะเรื่องเด็กมาตกหน้าบอกว่าตอนที่ตกเนี่ยนะโกรธไม่รู้ว่าโกรธนะแต่ตอนมือเคลื่อนเนี่ยรู้สึกรู้สึกล้ว แต่ว่ามันเด็กไม่ทันนะเพราะจิตมันสั่งให้มือเคลื่อนไปแล้วมือยังรับออเดอร์ของจิตดวงเก่าอยู่ของจิตที่โกรธตบอย่างเงี้ยมันรู้สึกขึ้นมาเลยพวกเราเคยตบยุงไหมใคยตบยุงไมใครเคยตบยุง ย, ย, ยกมือซิพวกพระธาตุกดแก้วเนี่ยไม่มีใครตบยุงเลยนะแปล <c oughs> กออเพิ่งจะยกคงมีดีเลย์ไทม์นะอนะ่ เนี่ยบางคนบอกให้ยกมือนะโชวยโอกาสเลยนวดเลยนเนี่ยเวลาเราจะตกยุงใช่ไหมมากัดเราเจ็บโมโหจิตโมโหนะจิตสั่งให้ฆ่าทิ้งมือเราเคลื่อนไปแล้วเราเกิดระลึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวปิดศีลอะไรเงี้ยเนี่ยกูสอนเกิดละ <c oughs> แต่มือเบรกไม่ทันเคยไหม ห้ามตัวเองนะจะไม่ให้ตบอยู่นะแต่มันตกไปแล้วว่านะมันเบรกไม่ทันเพราะร่างกายเนี่ยมันรับคําสั่งจากจิต ด, ดวงก่อนนะมันยังเปลี่ยนคําสั่งไม่ทันงั้นเราคอยรู Ο ้สึกนะบางทีถ้ารู้สึกที่จิตได้เนะี่ยรู้สึกที่จิตไปเลยเพราะจิตเป็นต้นตอของกุศลอกุศลทั้งหลายทีรู้สึกที่จิตไม่ทันมารู้สึกที่กายแทนนะก็ยังดีกว่าไม่รู้สึกเลยนะงั้นดูจิตได้ดูจิตนะดูจิตไม่ได้ดูกาย ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้พุโทโธไปหายใจไปนะทำความสงบไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวกลับมาเจริญสติไวนะ้แล้วสมาธิมันก็จะเกิดเองนะงั้นเวลาที่เราฝึกนะฝึกให้ดีการทาสติปัฏฐานเนี่ยมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเรารู้สึกกายรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์รู้สึกถึงจิตที่เป็นกุศลอกุศลในพวกนี้ เพื่อให้เกิดสติอัตโนมัตินะโกรธขึ้นมารู้โรคขึ้นมารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้นะสุกรู้ทุกรู้ยืนเดินนั่งนอนรู้อนะไรย่างเงี้ยฝึกให้มีสติอัตโนมัตนะิต่อไปก็ามาฝึกให้เกิดปัญญาเราเจริญสติปัฏฐานต่อไปอีกนะอย่างเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปนะเราจะเห็นว่าไอ้ตัวที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอก ไอ้ตัวที่ Länder, uit uit, หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะยังขณะ น, นี้พวกเราหายใจอยู่รู้สึกไหมตอนนี้หายใจอยู่รู้สึกไหมร่างกายมันบอกไหมว่าร่างกายคือตัวเราร่างกายไม่เคยคิดอะไรเลยร่างกายไม่มีความคิดนะตัวที่คิดได้คือตัวจิตจิตต่างหากก็เป็นหลงว่าร่างกายเป็นตัวเราร่างกายไม่เคยบอกว่าร่างกายเป็นตัวเราเลย นั่นจิตนี้เป็นตัวเจ้าที่เจ้าก่านนะไปวุ่นวายกับร่างกายคราวหนึ่งหลวงพ่อภาวนานะสมัยเป็นโยมนะนานนักหนานละเรารู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆเนี่ยยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าอะเนี่ยรู้สึกไปด้ว่อยนะแล้วเราก็รู้อย่างหนึ่งว่าร่างกายนี้มีภาระมากตื่นเช้ามามีภาระแล้วต้องไปอาบน้ําไปล้างหน้าไปขับถ่ายเห็นไหมไปแต่งตัวนะไปทํางานนั่งรถไป ร่างกายขึ้นรถไปนะถึงที่ทํางานแล้วต้องไปหาข้าวกินก่อนเดี๋ยวไม่มีแรงทํางานร่างกายก็ต้องเดินไปโรงอาหารไปกินข้าวนะเสร็จแล้วร่างกายก็มานั่งทํางานนะคิดงานจนปวดหัวไปหมดแล้วร่างกายเหน็ดเหนื่อยนะ่ะจนตอนเย็นกลับบ้านนะร่างกายต้องพาร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยเนี่นะขึ้นรถกลับบ้านต้องมาถึงบ้านต้องมาอาบน้ําอีกแล้วต้องมาหาข้าวกินอีกแล้ว คนสมัยหลวงพ่อเนี่ยจะไปกินข้าวที่บ้านนะพร้อมกันในครอบครัวแต่คนรุ่นเรานี่กินข้าวนอกบ้านต่างคนต่างกินไม่ต้องล้างเ น, นี่ยเราจะพบเลยว่าร่างกายเนี่ยนะทำงานทั้งวั น, นตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงไปนอนเนี่ยร่างกายตรักตรำทำงานตลอดเลยเรารู้สึกร่างกายนี่น่าเบื่อร่างกายนี้น่าเบื่อมากเลย แล้ววันหนึ่งนะปัญญาของหลวงพ่อมันทันขึ้นมาบอกว่าใครเป็นคนทางานร่างกายเป็นคนทำงานอย่างร่างกายจะกินข้าวใช่ไหมร่างกายต้องไปทำงานหาเงินมาซื้อข้าวร่างกายเป็นคนไปซื้อข้าวร่างกายเป็นคนตักข้าวเข้าปากร่างกายเป็นคนเคี้ยวร่างกายกลืนร่างกายย่อยอาหารร่างกายขับถ่ายนี่ร่างกายเป็นคนทำทั้งหมดเลยแต่คนเบื่อคือจิตจิตมันไม่ได้ทาอะไรสอย่างนะแต่มันไปเบื่อ สังเกต ด, ดูมันแสบมากเลยนะตั้งแต่นั้นเลยรู้เลยว่าปัญหารจริงๆไม่ได้อยู่ที่กายหรอกปัญหารจริงๆอยู่ที่ตัวจิตนี่เอจิตมันเซอร์มันรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นภาระเหลือเกินร่างกายไม่เคยเป็นภาระของจิตเลยนะแต่ว่าร่างกายตกเป็นทาสของจิตจิตอยากจะไปดูหนังมันก็พาร่างกายไปดูใช่ไหมร่างกายต้องไปหาเงินนะมาซื้อตั๋วไปดูหนังแลร่างกายเป็นคนทําทั้งนั้นเลย จิตเป็นควรบริโภคอย่างเดียวนะเป็นตัวที่เห็นเก็บตัวที่สุดเลยะเป็นตัวที่เห็นแก่ตัวที่สุดเลยเนี่ยเราค่อยๆสังเกตลงไปเรียนรู้ความจริงนะร่างกายนี่น่าสงสารนะน่าสลดน่าสังเวชไม่ใช่น่าเกลียดน่าชังหรอกนะในใจรู้สึกมันไม่ใช่ตัวเรามันน่าสงสารนะมันถูกเจ้านาย่นะคือจิตเนะี่ยใช้เป็นทาสนะแล้วมาดูต่อไปนะ ความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆความจริงของร่างกายก็คือร่างกายมันไม่เคยสุขเคยทุกข์เคยดีเคยชั่วอะไรกับใครหรอกะสั่งให้มันทํางานมันก็ทําไหวมันก็ทําแต่วันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยอย่างมันเก็บมากๆนะสั่งให้มันพลิกซ้ายพลิกขวายังไม่มีแรงจะพลิกเลยมันรับคําสั่งไม่ไหวแล้วมันเจะนอนมันจะตายละวแล้วร่างกายเนี่นะรับใช้จิตมาตลอดเลยที่บอกว่า จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยเรื่องจริงเลยเนี่คยค่อยๆรู้นะแล้วมันจะไม่เกลียดร่างกายถ้าเราไม่ดูตัวนี้ดูไม่เป็นนะจะรู้สุดร่างกายมีภาระมากร่างกายน่าเกลียดระที่จริงตัวที่น่าเกลียดคือจิตต่างหากจิตมีแต่ความอยากแล้วก็ใช้ร่างกายทานนยํางานเนี่ยจะชกคนเนี่ยนะใครเป็นคนสั่งให้ชกจิตเป็นคนสั่งให้ชกใช่ไหมแล้วร่างกายต้องไปชกแบบเขา เขาโชกตอบหรือเขายิงเปรี่ยงกลับมาใครตายอ่ะร่างกายทะลุแล้วร่างกายก็เจ็บร่างกายก็ตายไปนี่ยจิตเป็นตัวแสบนะมันเป็นมันใช้ร่างกายผู้ยี้ผู้ยําใช้ตั้งแต่เกิดจนตายเลยมันใช้ไม่ไหวตายไปเนี้ยเราจะไม่เกลียดกายเราจะรู้สึกไปดูร่างกายนี่นะเลือดใจที่เมตตาไม่ใช่เกลียดชังแล้วมาดูจิตจิตทําไมทําอะไรน่าเกลียดได้ทั้งวันเพราะจิตมีกิเลส นะถ้าจิตมีกิเลสจิตนึกว่าแน่หรือพี่แท็กกิเลสเป็นคนสั่งจิตเนะนี่ยมันสั่งกันเป็นทอดๆนะจิตสั่งร่างกายแต่กิเลสสั่งจิตโดยเฉพาะปัญหาคือความอยากนี่แหละเป็นตัวสั่งให้จิตทำโน้นสั่งจิตทำอันนีนะ้เพราะฉะนั้นศัตรูของเราเนี่ยนะเราสาวเข้ามาเรื่อยๆลนะสุดท้ายมันลงมาที่ตัวกิเลสเอง นะความอยากเกิดขึ้นทีไรนะจิตก็ดิ้นรนทุกทีจิตดิ้นรนแล้วก็เกิดภาพการทำงานทางกายทางวาจาขึ้นมาที่ใช้ร่างกายทำงานเวลาพูดต้องใช้ร่างกายใช่ไหนะจิตมันสั่งนะแล้วค่อยๆดูไปนะปัญหานี่ตัวแสบไอตัวอยากนี่แหละมันทำให้จิตทำงานนะตัวอยากเนี่ยมันมาจากกิเลสมันแทรกเข้ามานะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะรู้เลยว่า อะไรทําให้ความอยากเกิดขึ้นตัวความไม่รู้หรือตัวอวิชชาเป็นต้นต่อเป็นรากเง่าของความปูงแต่งของกายของใจทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะตัวอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในรูปนามกายใจนี้นะเมื่อเราเจริญสติปัฏฐานไปเรื่อยมีสติรู้กายรู้ใจนะเห็นกายเห็นใจทางานเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, าานัตตาได้่ไป สุดท้ายเราจะได้วิชามาเราจะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกขึ้นมาว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์นะจิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่เราเบื้องต้นจะรู้สึกก่อนว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราแล้วก็ปฏิบัติต่อไปอีกต่อไปปัญญาแก่กล้าขึ้นตรงที่เราเห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราเนี่ยอาวิชา ย, ยังไม่ถูกกระทบกระเทือนเอาวิชา ย, ยังไม่กระเทือน เรายังไม่ได้ทำลายวิชาตรงที่เราเริ่มเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นทุกข์นะแล้วจิตปล่อยวางกายได้นี่เป็นภูมิธรรมของข้านาคาข้านาคามีนะจะปล่อยวางความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วมันจะไม่หลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายแล้วนั้นความยินดีคือการมาราคะความยินร้ายคือปฏิฆะความขัดเคืองไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายนะ จะไม่เกิดขึ้ น, นเพราะกระทั่งกายยังไม่ยุดเลยแต่จิตมันวางกายลงไปเพราะฉะนั้นภูมิธรรมของพระนาคาเนี่ยท่านเห็นอริยสัจบางส่วนแล้วเห็นอริยสัจได้ครึ่งหนึ่งแล้วมีปัญญาครึ่งทางคือเห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์แต่ยังไม่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะ เนี่ยสร้างภาวนาต่อไปสังเกตการทํางานของจิตไปมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะดูไปเรื่อยๆไม่ต้องหาทางทําให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานนะไม่ต้องคิดว่าทําไงจิตจะเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นหรอกทําไงก็ไม่เป็นะเลยรู้ทันความอยากเนี่ยตัวตัณหารู้ทันความจริงของจิตนะว่าจิตนี้โดยตัวของมันเองเนี่ยเป็นทุกข์ตัวนี้พวกเรายังไม่เห็นนะ มันเกินปูงหลวงพ่อเทศไว้ให้ฟังเท่านั้นน่ะเผื่อวันข้างหน้าไม่ได้มาฟังหลวงพ่อเทศจะได้จําเอาไว้วันหนึ่งข้างหน้าบารมีแก่กล้าพออาจจะต้องใช้ธรรมะอันนี้นะเหมือนหลวงปู่ดุลนะเคยทิ้งธรรมะอันนี้ไว้ให้หลวงพ่อหลวงพ่อผู้รู้ทําลายผู้รู้พบจิตทําลายจิตจริ ง, งถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงการทําลายผู้รู้ทําลายจิตก็คือการเห็นไตรลักษณ์ของมันจงกระทั่งปล่อยวางปล่อยวางลงไปงั้นเรา ค่อยๆปฏิบัตินะมีสติรู้กายต่อไปก็เห็นความจริงของกายมีสติรู้จิตใจต่อไปก็เห็นความจริงของจิตใจความจริงเบื้องต้นก็คือจิตใจไม่ใช่ตัวเรานะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราได้พระโสดาบันนะเห็นว่ากายนี้คือตัวทุกจะได้ภานากขาเห็นว่าตัวจิตผู้รู้นี้คือตัวทุกนะ ไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นทุกข์ที่แทรกเข้ามาในจิตนะตัวจิตโดยตัวของมันเองเป็นทุกข์อันนี้ยพวกเราจะยังไม่เห็นถึงวันที่เห็นแล้วเนี่ยมันจะแตกหักวัตถจักจะล่มถล่มทลายลงต่อหน้าต่อตาในเวลานั้นแหละเห็นตอนนั้นก็ทําลายลงตรงนั้นเลยเนี้นเราค่อยๆดูลงไปนะมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกทุกคนรู้สึกได้ ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกทุกคนก็รู้สึกได้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายอยู่นิ่งคอยรู้สึกทุกคนก็รู้สึกได้จิตใจเราเป็นสุขจิตใจเราเป็นทุกข์จิตใจเราเฉยเฉยนะคอยรู้สึกไว้ทุกคนรู้สึกได้จิตใจเป็นกุศลหรือจิตใจโลภโกรธหลงคอยรู้สึกนะทุกคนรู้สึกได้อย่างโกรธขึ้นมารู้สึกได้ว่าโกรธไม่ใช่เรื่องยากเลยนะอย่างคนกรุงเทพเนี่ยโกรธได้ทั้งวันมันกระทบกระทั่ง เป็นตลอดเวลานะคนในกรุงเทพอะ่ะเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพเนี่ยเมืองสวรรค์นนะกรุงเทพแต่ว่าตัวที่มาอยู่เนี่ยพวกนรกอยู่นะพวกนรกอยู่ขับรถอยู่ก็รทุกแล้วรู้สึกไหมขับรถอยู่นะจะไปไหนมาไหนทีนะโอ้ยลําบากเจะกินนารหารบางร้านเนะี่ยยังต้องเข้าแถวไปกินเลยนะเนี่ยเปรดเป็นเปรตยังไงต้องคอยเชิงเงว่าของที่เราอยากกินเขาขายหมดหรือยัง ะต้องยืดยืดยืดคอระยยาวกเปล็ดนะเนี่ยคนในกรุงเทพนั้นจะดูง่ายนะคนเชียงรายนะขับรถรถก็ไม่ค่อยจะติดนานๆจะติดเสียทียนะหรือแต่คนเชียงรายเขามีทีเด็ดเหมือนกันนะซึ่งคนกรุงเทพไม่มีเขามีแผ่นดินไหว เ, <laughs> เวลาแผ่นดินไหวจิตใจเป็นยังไงมีความสุขกลับเรื่อง นึกไงเหไหมแผ่นดินไหวใ่้ยแผ่นดินไหวขึ้นมากลัวเนี่ยรู้ว่ากลัวเหมือนตกใจรู้ว่าตกใจนะคนกรุงเทพขับรถอยู่ก็าปาดหน้าโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยวันหนึ่งโดนปาดมากกว่าแผ่นดินไหวนานๆปีหนึ่งจะเกิดสักทีสองทีใช่ไหมเพราะเสียเปรียบนะเพราะฉะนั้นเราถ้าจิตใจเราไม่มีอะไรกระทบให้กระเทือนนะรู้สึกร่างกายไปบ่อยๆ เราใจเราเฉยๆสบายๆายวันๆไม่ค่อยมีอะไรกระทบอนะไรใจมันเฉยดู ก, กายไวนะ้อย่างน้อยก็ดู ก, กายแผลเห็นการทํางานไปเรื่อยๆใจเป็นคนสั่งดูอย่างนั้นเรื่อยๆนะส่วนคนกรุงเทพคนในภาคกลางเนี่ยนะโทรศัพท์เกิดทั้งวันแนะนะกระทบเรื่องโน้นกระทบเรื่องนี้แย่งกันอยู่แย่งเงินกินแย่งกันนั่งรถนะแย่งกันขับรถ ลูกอยาเข้าโรงเรียนเครียดไหมลูกอยเข้าโรงเรียนลูกเข้าโรงเรียนไม่เครียดลูกเข้าโรงเรียนไม่ได้เครียด น, นะกลัวลูกไม่ได้เข้าโรงเรียนก็เพี้ยงเครียดหนักเข้าอีกนะการที่ลูกไปสอบเนี่ยรุ้นไหมบางคนกลุ้มมากกว่าลูกนะมันลูกยังมันไปสอบนะมันตรงตกแล้วยังไงมันก็ตกนะพ่อแม่ก็รุ้นรุ้นว่าอยากจะให้เข้าโรงเรียนดีๆอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ดูว่าพันทุกกรรมของตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากให้ลูกเข้าโรงเรียนดีๆตัวเองเรียนอะไรก็ไม่ค่อยจะได้อะไม่ค่อยฉลาดเนี่ยมันอยากเส้นไหมมันทุกคนกรุงเทพเนี่ยทุกเยอะนะทุกหาอยู่ทุกหากินทุกจะทำอะไรต่ออะไรนะมันกระทบกระทั่งมันเบียดเบียนมันแก่งแย่งกั น, นคนต่างจังหวัดยังสบายโล่งๆกว่าอย่างน้อยหายใจอากาศยังดีกว่า แต่ปีนี้ควันไฟมายังยังไม่มามัง้งนานนี้ยังมีฝนอยู่เนวะลาควันมานะพวกเราก็ถือว่าพวกเราในอดีตชาติคงเคยตีพึ่งเอาควันไปลมพึ่งเนาะกรรมมันให้ผลเนานะตอนนี้ต้องนั่งดมควันไปดนะ้วยควันในเมืองไทยไม่ค่อยมีก็มีควันพมาะนะ่าอะไรอย่างเงี้ยควันอินเตอร์นะต้องภูมิใจนะได้ของต่างประเทศมาดูสูดดม คนกรุงเทพไม่มีมีแต่ปั่นรถยนต์นะดมปั่นรถยนต์กันทั้งวันปอดคนกรุงเทพดำดำปีเลยโนะสมปรกตอนหลวงพ่ออยู่กรุงเทพนะเป็นโรคปมแพ้นะ้ำมูกไหลทุกวันเลยนะออกไปอยู่บ้านนอกสบายนานๆแพ้ทีหนึ่งแพ้ตอนที่เขาฉีดยาฆ่ า, มาแมลงเขาก็ทำนาทำอะไรเงี้ยเขาฉีดยา แต่พอมาอยู่ตรงนี้สบายนะย้ายมาอยู่ในร่องเขาเนี่ยระหว่างเขาเขียวเขาชมพู่อยู่กลางภูเขาอากาศดีออกซิเจนเยอ ะ, ะ, <น>ะเสียแต่ฤดูหนาวนะกลิ่นขี้ไก่จะมามันมีโรงเลี้ยงไก่อยู่ตรงนี้แต่กลิ่นขี้ไก่เนี่ยถามหมอม้อนแล้วหมอม้อนบอกไม่อันตรายกลิ่นท่อให้เสียรถยนต์อันตรายกว่านะ ที่เราใครสังเกตตัวเองนะรู้สึกร่างกายรู้สึกจิตใจรู้สึกไปเรื่อยสบายสบายไม่มีอะไรยุ่งยากทุกคนรู้สึกได้แต่ละเลยที่จะรู้สึกโกรธขึ้นมาใครๆก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้ว่ากําลังโกรธมัวแต่ไปสนใจคนที่ทําให้เราโกรธนะหรือบางทีเราโกรธหมานะคนกรุงเทพเนี่ยบ้านอยู่ติดติดดกันนะบางบ้านเลี้ยงหมา กลางคืนเนี่ยหมามันว่างนานนะหมามันก็เห่าเห่าฮอนฮอนนะเราอยู่ข้างบ้านนะโม่เราละมคาญมากเลยนะเกลียดหมาตัวนี้มากเลยะเมื่อไหร่มันจะตายชั่ทีก็ไม่รู้นะส่วนเจ้าของมันคุ้นเคยเจ้าของเนี่ยรักหมาหมาเห่ารู้สึกเสียงเธอหวาน <laughs> เสียงเธอเพาะนะไม่โกรธเราต้โกรธแทบแย่เลยนะ โทรสารมันขึ้นนะกระทั่งจอนจะนอนนะโทรสารยังขึ้นเลยเพราะนัหลวงพ่อพานาได้ทั้งวันทั้งคืนหนะลงวงพ่ออยู่กรุงเทพเนี่ยผัสสะมีตลอดเวลาเลยกระทบ ก, mm hmm. กระทั่งกันตลอดลวเวลาจะทําอะไรมันกระทบกันตลอดเราก็เรียนรู้ไปสังเกตของเราไป น, นี่อยู่ต่างจังหวัดนะถ้าใจเราไม่มีอะไรมากระทบมันเรียบๆมันเฉยๆนะให้รู้สึกที่ร่างกายไปดูร่างกายเคลื่อนไหว ใ, หใจเป็นคนดูนะเราอย่าทอดทิ้ง ไม่ใช่ในใจเราเฉยๆแล้วเลยขี่เก ด, ดูดูใจไม่ออกก็ดูกายไปถ้าดูกายก็ไม่ได้ดูใจก็ไม่ได้ก็พุโทโธไปหายใจไปมีสติฝึกไปเรื่อยๆใจก็มีความสุขมีความสงบขึ้นมาแล้วก็ไปรู้ทันว่าตอนนี้จิตมีความสุขแล้ะอานนี้เราก็ดูจิตต่อได้พอสมควรนะต่อไปให้ส่งกันบ้านคนที่ศรีราชาวันนี้ไม่รับตรวจกันบ้านนะ วันนี้ทีมงานเก่งนะสายไม่หลุดพวกเราร่วมมือปิดโทรศัพท์อะรอบก่อนนะมันหลุดตลอดเวลานะเวลาสายหลุดทีหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อต้องสตาร์ทใหม่นะสตาร์ทใหม่หมายถึงสตาร์ททางจิตนะมันเหมือนเทศกันใหม่เลยเทศจบไปเรื่องหนึ่งแล้วเริ่มอีกเรื่องนะโดนเข้าไปเกือบสิบเรื่องนะลมเกือบใส่นะนะ พอสมูทดีแล้วในนี้ก็ไม่ปิดโทรศัพท์อีกแล้วโทรศัพท์ดังอีกแล้วมันควรสมาธิเบอร์หนึ่งใกล้จะช็อคหรื อ, อยังใกล้จะช็อคแล้วเนาะเอารีบส่งเข้าว่าไปไม่ได้ยิน การบ้านครั้งแรก <c oughs> ส่งได้เด็ดขาดมากเสียงดังดีเรียนรู้จาก u ู u ูบค่ะเออแล้วไงอีกค่ะก็อยากให้หลวงพ่อดูว่าทำปฏิบัติถูกไหมคะ่ะเพราะว่าแต่ตัวเองก็ดีขึ้นเยอะอะค่ะโอ้ชมตัวเองด้วยเรียนรู้จาก y o u t u ู e ค่ะ เรียนยูท b e แล้วจะมาให้ไอทุบใช่ไหมใช่ค่ะที่ยังฟุ้งร้านอยู่รู้สึกษาเป็นคนช่างฟุ้งนะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่หลมหายใจอยู่กับพุทโธนะสมาธิเราจะได้เพิ่มสมาธิน้อยไปใจยังฟุ้งร้านอยู่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ย ที่หลวงพ่อบอกไม่ต้องทําอะไรดูไปเลยอะไเนี่ยอันนั้นเป็นขั้นเจริญปัญญาดังนี้นก่อนจะถึงขั้นนั้นเนี่ยต้องให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนไะงั้นหายใจไปพูดโทไปะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถึงค่อยเจริญปัญญาะงั้นถ้าใจอยู่ข้างนอกอะเ น, นี้นใจอยู่ในจอรู้สึกไหมใจมาอยู่ที่จอเนี่ยเนี่ยจ้องจอใหญ่นะเอย ให้รู้ทันพอใจไปข้างนอกแล้วถ้ารู้ทันนั้นแจมจะเข้าฐานเข้าบ้านพอใจมันเข้าฐานแล้วคราวนี้เราก็จะรู้สึกเลยร่างกายเราเป็นยังไงจิตใจเราเป็นไงเราคอยรู้สึกเอาก็พอใช้ได้นะไปดูต่อ u ู u ูบอ่ะแล้วก็ดูใจตัวเองอย่าดูแต่ y o u t u ู e นะอ้าเบอร์สองครับนมัสการหลวงพ่อครับผมอือก็ปฏิบัติ ฟังจากหลวงพ่อในเอพิซอนะครับแล้วก็ทําในรูปแบบครับผมือดีเจ้าฝึกอย่างนั้นแหละแล้วไงล่ะเห็นกิเลสบ่อยไหมวันวันหนึ่งกิเลสเกิดบ่อยไหมเออยิ่งบ่อยยิ่งดีนะบ่อยครับโอ้ถ้านานๆเกิดทีนั้นไม่ดีตัวไหนเกิดบ่อยโรคหลอดลงตัวไหนเกิดบ่อย โกรธครับโกรธเหรอตอนโกรธไม่หลงเลยเหรอครับไม่จริงหรอกนะตอนโกรธเราต้องหลงด้วยนะโกรธจะรอบเนี่ยเกิดเดี๋ยวเดียวไม่ได้ต้องเกิดพร้อมๆรกับหลงนะถ้าไม่หลงเนี่ยไม่รอบไม่โกรธหรอกเพราะงั้นถ้าเราคอยรู้สึกตัวไม่หลงสัอย่างเดียวนะโกรธกับรอบไม่มีความหมายเลยแต่นี่เราไม่ทันะจิตเราเคลื่อนไปก่อนจิตไปคิดก่อนมันโกรธขึ้นมา พอมันเกิดขึ้นมาเราคอยรู้ทันว่าจิตมันโกรธถ้าจิตมันโกรธเราก็รู้เอาจิตโกรธล้วก็รู้เอ า, ต, เอาตอนเนี้ยจิตออกไปอยู่ที่จอแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับเนี่ยแล้วส่งมาไม่ถึงหลวงพ่อด้วยเลยส่งเลยขึ้นเพดานวัดท่าท่าโกรธแก้วไปเนี่ย <laughs> รู้สึกไปเห็นไหมตอนที่หัวเราะเนี่ยใจเราเปลี่ยนรู้สึกไหม ความรู้สึกของเราเปลี่ยนเนี่ยรู้ไปอย่างนี้เร่ๆนะค่อยๆฝึกไปใช่ได้เบอร์สามการนมัสการค่ะเตินจงโกบาลสิ่สิบนาทีบางทีก็เห็นกายบางทีก็เห็นจิตค่ะขอการบ้านค่ะรู้ทำได้ดีแล้วนะฝึกทุกวันจิตมันมีพลังนะจิตมันมีเรื่องมีแรงขึ้นมา จะได้มีกำลังเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปอย่างเวลาที่เราจเจริญสติจเจริญปัญญาเรื่อยๆไปนะพลังของจิตมันจะมากขึ้นมากขึ้นนะถ้ามันมากพอจิีมันพาจิตเราก้าวกระโดดนะก้าวกระโดดไปสู่อริยมรรคนะีถ้าจิตไม่มีเรีอวมีแรงเลยอริยมรรคไม่เกิดหรอกไม่มีแรงไม่มีพลังเขาหนูปฏิบัติสม่ำเสมอจิตมันมีแรงขึ้นมาต่อไปก็จเจริญปัญญาบ่อยๆนะ คอยเรียนรู้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่ตัวเราไปดูเขาทางานดูบ่อยๆจะดูบ่อยๆต่อไปปัญญามันแก่กล้าปัญญามันเกิดนะแกจะเข้าใจธรรมะเป็นลําดับลําดับไปดีที่ฝึกอยู่เบอร์สี่เบอร์สี่กลัวแล้วรู้สึกไหมตื่นเต้นเมื่อสี่ตื่นเต้นไม่รู้ว่าตื่นเต้น ภาว่าไปเ อ, อ่อคือตอนนี้ยผมปฏิบัติคือการมองตามความเป็นจริงนะฮะฉะนั้นเนี่ยบางทีตอนเราไม่คิดมันก็เหมือนกับมีบางสิ่งมันเดินต่อไปขอ ง, งอมันเองนะฮะตรง น, นี้ผมเองก็ไม่ทราบว่ามันคือการเดินปัญญาเองหรือเปล่าหรือว่ายัางไงชิดมันเดินปัญญาอยู่นะเป็นเดินปัญญาได้แล้วล่ะครับแต่ว่าอย่าให้ปัญญาล้าไปนะโดยพื้นฐานเนี่ยปัญญาเยอะ งั้นอย่าให้ปัญญาลับหน้าไปทําความสงบเข้ามาเป็นระยะระยะไปคล้ายๆเบรกตัวเอง<ช>ปัญญานะมันเหมือนตอนนี้ตึ่เต็นมากมันเหมือนคันเร่งรถยนต์อ่ะเหยียบคันเร่งอย่างเดียวรถจะพังนะบางทีเราต้องเหยียบเบรกเหมือนกันเง<ช>ั้นไม่ให้จิตมันเดินปัญญารวดไปให้มันได้พักเป็นช่วงช่วงไปงั้นทุกวันทําในรูปแบบให้จิตได้พักผ่อนเป็นระยะระยะนะ การทำในรูปแบบไม่จำเป็นต้องทำมาหละครั้งอย่างกลางวันถ้าเรามีเวลาห้านาทีสิบนาทีอะไรเราก็มาอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจไม่ได้มุ่งแต่เจริญปัญญาอย่างเดียวของคุณคั บ, คบปัญญาเยอะต้องระวังนิดหนึง่งเพ่อเพิ่มสมาธิขึ้นมาอ้าต่อไปไมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้ว เหมือนโดนสะกดจิตเลยเนี่ยเพราะว่าไฟมักระพริบตลอดแวบบแวบบแวบบนะต้องหลับตาตัวกันบ้านเอาว่าไปเบยห้าห้ากลับมามาสการ์ทดลองพ่อส่งกันบ้านกับผมพ่อครั้งแรกค่ะแล้วไงล่ ะ, ะจิตมัาเป็นยังไงบ้างคะนีะ่จ <laughs> ิตเราเราไม่รู้เลอ การปสิบัติว่าเราต้องรู้จิตตัวเองนะไปถามก็รูงไม่ได้เห็นใจโรคไหมก็ก็สังเกตใจโลคใจโกรธใจหลงอะไรเงี้ยเห็นไหมคอยดูไปนะเห็นค่ะเห็นว่าใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคอยรู้ทันนะนะถ้าใจเราฟุ้งซ่านอยรู้ว่าฟุ้งซ่านพอมันฟุ้งซ่านก็มาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจอะไรไป ะให้ใจสบายให้ใจผ่อนคลายใจสบายแล้วเราก็มาดูกายดูใจเขาทํางานต่อค่ะช่างพูดกล่าวเราเมื่อก่อนติ๊เพ่งนะช่างพูดไหมชอบพูดไหมช่ช่างคุยเปล่าหรือคุยในใจไม่ไม่ค่อยคุยในใจเออนะคุยไม่เลิกคุยแจ้วแจ้วแจ้วแจ้วเลเนี่ยรู้ทันมันไปนะใจฟงซ่านให้รู้ว่าฟงซ่าน เนี้ยดูเป็นอย่างนี้เลยเวลาคุยไม่จำเป็นต้องอาปอากมันคุยอยู่ในใจได้ใจมันฟุงก็รู้นะพอรู้ทันใจที่ฟูงฟ้ง<ร>างบ่อยๆสมาธิจะเกิด้าสมาธิเกิดแล้วเราก็ดูกายดูใจดูไปสบายๆเพิ่มสมาธิขึ้นนิดหนึ่งค <feed. S 1> <daunting. S 2> ่ะเบอร์หนะยังไม่จบเลยคอบคุณอ๋ อ, อ, อคื อ, คอจริงๆแ ที่ปรุงแล้วพอเรารู้ว hey ่าปรุงได้จิตมันก็ถึงถาดเองใช่ไหมคะใช่ไม่ต้องไปดึงนะเดยอดึงเราเครียดให้ดูไปจิตเราฟุ้งเก่งนะเบอร์หกขอบพระคุณค่ะการบนมาสการค่ะส่งการบ้านครั้งที่สองค่ะครั้งที่เท่าไหร่นะเครั้งที่สองคครั้งที่สองแล้วไงค่ะส่งมาสิส่งมา คือตอนนี้เห็นเห็นมันเคลื่อนไหวอยู่ตรงกลางอกก็ก็ดูมันไปเฉยๆค่ะอยากจะให้หลวงพ่อช่วยช่วยแม่ช่วยทีนี้ให้หน่อยค่ะว่าดูดูแล้วํำคานไหมหลังๆมามันเฉยๆค่ะ ไม่รู้<ด>ว่าทําทงานปไปเรื่อยๆนะเห็นทั้งวันทั้งคืนไหมหรือนานๆนานเห็น<ม>ทีถ้านานๆนานเห็นทีไม่ค่อยรู้สึกอะไรถ้าเห็นตลอดเวลานะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะอุ้ยจะทุกข์มากเลยนะแนะหนูไปดูอีกอยังดูไม่พ อ, อยังทุกข์ไม่พอนะไปดูมันทํางานหลังๆมามันจะทุกข์แต่ทําไมหนูไม่ค่อยยินร้ายเท่าไหร่มันรู้สึกเคฉยๆยะคะ่ะ เฉยๆบางทีก็ติดเพ่งนะเราไปจิตเราไปล็อกนิ่งๆอย่าให้จิตมันนิ่งอยู่อ่ะใช้เกตหรือเปลา่าว่ามันมีตัวหนึ่งนิ่งๆปล่อยมันออกมาม น, มนั่นแหละตัวนั่นแหละที่ทําให้ชะงักอยู่ก้าวหน้าไม่ได้ถ้าจิตมันไปติดนิ่งๆอยู่นิดนึงนะมันก็ไม่เดินปัญญาแล้วเพราะนั้นปล่อยมันอย่าไปรักษาตัวนั้นไว้เรากลัวจะหลงอ่ะ กลัวจะเผลอเราก็พยายามรักษาความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาพอ mm hmm. พยายามรักษามากนะมันเลยมีตัวนิ่งซ้อนแอบซ่อนอยู่นะ่นทำอะไรนั้นก็มีไอ้ตัวนิ่งอยู่นั้นเพราะว่ามันจะอุเบกขาตลอดอนะ่ะเพราะมันจินเป็นติดล็อกนิ่งๆอยู่เฉยๆไปทําลายตัวนี้งลงไปอย่าไปรักษาอ่ะพยายามพยายามดูอยู่ว่าเพ่งไหมแต่ไม่เห็นว่าตรง่าว ต, ตรงที่พยายามดูนั่นแหละเพ่ง พยายามดูจ้องอย่างนี้จ้องจ้องอย่างนี้นะเงนเพ่งอะไร <c oughs> อย่าไปพยายามดู <c oughs> ออกมาใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยให้กระทบอารมณ์ไปนะแล้วไม่ปะครองใจให้นิ่ง <c oughs> ไม่ต้องคอยเฝ้าสังเกตตลอดเวลาให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาถ้าคอยดูตลอดเวลามันจะนิ่งๆอย่างเนี้ยเผลอบ้างเผลอแล้วรู้รเผลอแล้วรู้นะดีกว่าตัวเผลอแล้วจ้องเอาไว้ นี่ยเราจะติดนิ่งเบอร์เจ็ดหลังๆมาเออหลังๆมาหนูเริ่มทํำสมาธิตั้งมันไม่ค่อยได้อ่ะค่ะเออต้องฝึกเอาเดี๋ยวไปถามคุณมาลีไปทํำยังไงวันนี้หมอนัฐก็อยู่นี่นะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะแล้วไงจงเต้นอ่า ภาวนาอย่างนี้ค่ะผมณพ่อครัก็ทำสิดูค่ะทำไปปฏิบัติจริงรู้สึกไหมว่าเพ่งอันนี้จึอเออไม่เอาน ะ, ะขยับไปแต่ว่ารู้สึกตัวไม่เพ่งถ้าเพ่งอยู่ใช้ไม่ได้จะติดสมถนะนะติดสมถะแล้วมันจะไม่เดินปัญญาต่อ นั่นแหละให้ใจมันคลายออกมารู้สึกแป้นรู้สึกตัวทั่วพร้อมค่ะขาดลืมเออนะนั่นค่ะคลายคลายออกมาล้วเอออย่างนั้นถูกรู้สึกไหมมันมีความเบิกบานปุดขึ้นมารู้สึกแล้วค่ะนั่นแหละใช่ค่ะไปทำต่อตื่นเต้นแล้วมันคพ่งไว้ค่ะเออค่ะอ้าวเปอร์แปดกราบในมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้ ปฏิบัติในรูปแบบก็ น, นั่งสมาธิกับเดินง<ม>จงกรมเจ้าค่ะทีนี้ไม่ทราบว่านั่งสมาธิเนี่ยรูปทําถูกไหมเจ้าคะนั่งสิอีากจะนั่งให้หลวงพ่ออืมนั่งให้หลวงพ่อชมบังคับจิตเกินไปเอานี้ถอยขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งนั่งขึ้นมาก่อนตอนนี้ยจิตมันไปนติดล็อกแล้วนะอย่าเพิง่งลืมไปเลยลืมการปฏิบัติไปก่อน เอออย่างเนี้ยจิตหลงไปรู้สึกไหมจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดนะเวลานั่งของแม่ชีนั่งผิดนะแม่ชีนั่งเริ่มต้นด้วยการบังคับจิตให้นิ่งเราอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งแล้วแล้วอย่างตอนเนี้ยจิตไม่เปลี่ยนเลยนะเอาทำสมาธิไปใช้จิตอย่างตอนนี้เลยสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเอออย่างนั้นแหละ สังเกตไหมว่าจิตเราสายออกไปเนะนี่ยรู้อย่างนี้นะเคยรู้ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็หยุดเขาก็พักของเขาเองนะดีกว่าไปนั่งสมาธิยอย่างตะกี้นีนะ้นั่งอย่างตอนแรกที่นั่งนั้นโมหามันจะเข้ามามันจะซึมน ะ, ะงั้นนั่งสมาธิเนี่ยใช้ใจปกติไปรู้อารมณ์กรรมฐานนะแล้วจิตสงบก็รู้จิตเคลื่อนไหวก็รู้แล้วควาสงบของเขาเอง ฝึกอย่างนี้นะอย่างนี้ใช้ได้นะคะตอนนี้ไม่ได้แะ้ตอนนี้ใช้ได้นะตอนนี้ใช้ไม่ได้ตอนนี้แข็งไปแล้วรู้สึกไหมไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันตั้งใจมากไปลดลดความตั้งใจลงนะใช้ใจที่ธรรมดาแล้วเดินเดินจงกรมไม่ก็เหมือนกันเดินจงกรมนะไดอเดินจงกรมก็เดินธรรมดานะเดินด้วยจิตใจ ได้ยินหรื อ, อยังอ่าเคลื่อนไหวได้เอย้ยได้ยินไหมเวลาเดินจงกรมเดินจงกรมช่วงนี้สัญญาณไม่ค่อยอดีเ ง, งกมเวลาเดินจ ง, งกรมก็เดินด้วยจิตใจปกติเหมือนจิตใจตอนนั่งสมาธิที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละเดินด้วยจิตชนิดเดียวกันเดินด้วยจิตใจธรรมดา ไม่ใช่เดินด้วยการบังคับจิตให้นิ่งได้ยินไหมแม่ชีไม่ได้ยินได้ยินเจ้าค่ะเดได้ยินตลอดไหมได้ยินตลอดไหมหายหายเป็นเป็นช่วงนิดิดค่ะเออหายไปนิดนิดเหรอแม่ชีบอกซิว่าหลวงพ่อสอนเดินจงกรมว่ายังไงหลวงพ่อจะนให้เดินจงกรมเหมือน ให้ไให้บางจิตเหมือนตอนที่ทาสมาธิค่ะเอ่เหมือนทําสมาธิที่หลวงพ่อสอนนะไม่ใช่ทําสมาธิที่เราทำเองอย่างนั้นทําผิดะไอไเดินเครียดอย่างขณะเนี้ยสมมนะสมมุติเราจะเดินจงกรมตอนเนี้ยใจเราเป็นอย่างเนี้ยเราไม่ดัดแปลงชนิดเลยเราลุกขึ้นเดินเลยเราใช้ใจปกตินี่แหละไปเดินจงกรมหรือเราคิดว่าตอนนี้เราจะนั่งสมาธิ เราไม่ดัดแปลงจิตเลยนะเราใช้จิตอย่างนี้แหละนั่งสมาธินะนี่สมาธิชั้นสูงน ะ, ะไม่ใช่สมาธิน้องอย่างนี้หลวเพ้าก็ทําเป็นทําไั้แต่เด็กไม่ได้เรื่องหรอกเนั่ยไปฝึกเอาอีกไปเมื่อก่อนติดเพ่งกว่านี้ค่ะเมื่อก่อนติดเพ่งแต่ตนี้ที่บ้านตัวเองก็ดขึ้นดีขึ้นใช่เข้าใจถูกไหมเจ้าค่ะใช่เข้าใจถูก แต่แก้ต่อไปอีกนาน<อ>จงกระทั่งนั่งสมาธิเดินจบกรมด้วยจิตที่เป็นธรรมดา<อ>เบิกเก้าเบิรเก้าต้ า, ตา ไ, <อ>ตไปหลวงพ่อต้องใส่แว่นห<อ>าแว่นสียะไแต่ไม่ได้เดี๋ยวเหมือนไอจ้าจานั่นมีแว่น อออครับครับว่าไปเลยฝัง CD ดีซีดีของพ่อมาในสามเดือนรู้สึกสาเดือนครับเปลี่ยนแปงนี้หอะไรนะรู้สึกอะไรนะรู้สึกว่ามีการเปลียแปลงมากเกลีนแปลงมากก็ถูกแล้ว ปฏิบัติถูกมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงซิปฏิบัติไม่ถูกนะอย่างแม่ชีตะเกีย้ยชอบเพ่งถ้าเพ่งอยู่นั้นนะกี่ปีมก็อยู่ที่นั้นนะ่ะแต่ถ้าปฏิบัติถูกแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างตอนนี้ลมรู้สึกตัวได้แล้วรู้สึกตัวเป็นแล้วงั้นต่อไปรู้สึกตัวดรื่อยะร่างกายเป็นยังไงคอยรู้สึกร่างกายเป็นไงคอยรู้สึก หรือความรู้สึกของเราจิตใจเราสุกขจิตใจเราทุกข์จิตใจเราดีจิตใจเราร้ายค่อยรู้ไปเรื่อยๆนะไปฝึกต่อไปมาถูกทางแล้วสง ส, ยสัยทราบไหมทราบเนี่ยรู้อย่างนี้เห็นไหมอยากพูดรู้สึกไหม เ, เนี่ยรู้อย่างนี้เลยนะรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆจิตสงสยัยรู้ว่าสงสัย จิตอยากพูดรู้ว่าอยากพูดเนี่ยรู้ทันเข้าไปเรื่อยๆสบายๆนะไม่ไปบังคับเขาไม่บังคับจิตให้นิ่งไม่บังคับอารมณ์ให้นิ่งนะจิตเป็นธรรมชาติอารมณ์เป็นธรรมชาติเราถึงจะเห็นว่าธรรมดามันเป็นยังไงนะปล่อยให้มันทำงานแล้วคอยรู้สึกเอาอพูดไปมีอะไรจะพูดคื อ, อทุวันต้นเห็น ปั่นลง ม, มันเห็นปักคิดเยอะเลยดียิ่งเห็นกิเลสบ่อยยิ่งดีนะคือการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่มุ่งไปทําลายตัวกิเลสโดยตรงการปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นว่ากิเลสก็เป็นของไม่เที่ยงรู้สึกไหมกิเลสทุกตัวเกิดแล้วดับนะกิเลสมีแต่ของไม่เที่ยงนะกิเลสเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรา เราเรียนเพื่อให้เห็นใจรักพอเราเรียนแล้วเห็นใจรักษณ์ต่อไปจิตเราจะเป็นกลางในอย่างตอนเนี้อีกกิเลสเกิดแล้วจิตเราไม่ชอบถ้าจิตเราไม่ชอบจิตเราไม่มีความสุขจิตใจเราดิ้นรนดงนั้นเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อไปทําลายกิเลสโดยตรงเราปฏิบัติมีกิเลสขึ้นมาก็รู้รอบก็รู้โปรดก็รู้หลงก็รู้ะใจลอยก็รู้หดหู่ซึมเศร้าก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้เรื่อยๆไป ต่อไปมันปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตท pattern, ุกชนิดไม่เที่ยงพอปัญญาเกิดแล้วเนี่ยจิตใจจะสบายนะจะเป็นอิสระขึ้นมาไม่ต้องกังวลที่ฝึกอยู่นี้ใช้ได้นะฝึกได้ด <pi> e ีช <ma> ัวรละขอบคุณเบอร์ส <Aww> okay. ิบการน้ำมัการครับหลวงพ่อครับก็นั่งสมาธิกับเื่นจงกรมระหว่างวันก็ ดูกลดูไปลทางานก็ทำให้พอขอกานบ้าน ท, ทำได้แล้วก็ทำให้พอนะทำให้พอหมายถึงว่ามีสติบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกบ่อยๆตอนไหนเล่นเห น, นื่อยแล้วก็พักผ่อนทาความสงบพักผ่อนพุโทโธไปไหว้พระสวดมนต์ไปให้ใจได้พักบ้างถ้าไม่พักเลยก็ไม่มีแรงเนะนี่ยทาอย่างนี้ไปเรื่อย พอจิตใจมีแรงแล้วก็ไปเดินปัญญาต่อดูกาดูใจทํางานดูกายดูใจทาําทงานถึงจุดหนึ่งหมดแรงก็มาพักผ่อนทําสมถะมาอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจด้วยจิตใจที่สบายๆเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นไปเรื่อยๆไปทำได้แล้วถ้าไปทําเอากลับนักการครับเบอร์สิบเอ็ดกลับนักการค่ะหลวงพ่อว่าไงวันนี้เสียงดังไปได้ไหวไหว ผ่าสามรูปแบบทุกวันเจ้าดีรู้สึกหรือเปล่าว่าจิตใจมันดีขึ้นดูออกไหมรูปติ๊เจ้านั่นแหละดีดูออกค่ะทําทุกวันดีแล้วต่อไปนะบางข้างก็รูปท่านบางข้งก็บรรูปทันเออใครรู้บ่อยบแต่ก็เห็นยืดเกือเองนี่ทุกวันนะเจ้าก็เห็นอยู่เจ้าบางข้างนี่มันก่อนั่นแหละแตเห็นได้เร็วบางข้างเห็นได้เจ้าเออถูกนะบางทีก็ไม่เห็น บางทีก็เห็นเร็วบางทีก็เห็นช้าบางทีก็ไม่เห็นเป็นเรื่องธรรมดานะบางทีสติก็เกิดเร็วบางทีสติเกิดช้าบางทีไม่เกิดห้ามมันไม่ได้สังเกตหรือเปล่าว่าความรู้สึกเช่นไรเกิดปัญญาห้ึ่งกระทัะหลวงพ่อเกิดทำไมจะไม่เกิดอ้าวดีใจแต่ นี่คนสีราชาเขาดีใจกับโยมไปด้วยเขาหัวเราะไปด้วยอหัวเราะเพราะคนนี้ไปฟืงอีกงจ้ากับได้พรกการ์ดเราทำได้ทุกวันคนนี้ทำทุกวันแน่นอนจิตถึงดีอย่างนี้เอาเบอร์สิบสองคนสุดท้ายละอังนาการหลวงพ่อค่ะรู้ฟังัง ซีดีของหลวงพอมาหลายปีมากเลยค่ะอืมแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่ขัดไปค่ะอะไรนะแล้วก็กลับมาฟังใหม่นี่ช่วงพอกลับมาฟัง c ีดีอีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะก็ช่วงสี่สีห้าเดือนแรกที่ที่ฟังอะค่ะโยมคือโยมเปิดทั้งเปิดเปิดเดสียงดังบ้านอยู่บ้านฉันอยู่เปิดอยู่ที่ไหนโยมก็ได้ยินค่ะแล้วโยมก็ทํางานทําอะไรไปด้วยเนี่ยค่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โยมกำลังล้างจานอะคะ่ะ แล้วก็เดียงซีดีก็ยังอยู่อะค่ะโยมเห็นแขนโยมไม่ใช่ของโยมอะแขนข้างซ้ายจะไม่เนยต่อไปไม่เห็นแล้วทั้งตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราอะไม่ใช่ตัวเราสักทันเดียวมันเป็นสมบัติของโลกเรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งเราก็ต้องคืนเจ้าของไปนี่ค่อยดูไปด้วยร่างกายไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เรานะเราสั่งมันไม่ได้ ค่ะเกตไหมบางวันก็มีสติบางวันก็ไม่มีสติบางวันกิเลสัวแรงบางวันกิเลสก็เบาเนี่ยฝึก อ, อย่างนี้แหละไม่ใช่ฝึกว่าให้ดีตลอดแต่ฝึก ใ, ให้เห็นว่าทุกอย่างไม่ดีไม่คงที่ว่าง่ายค่ะยังมีความรู้สึกว่าช่วงเี๋ยวฟัง CD ช่วงนั้น ย, ง ย, งนยังไม่รู้จักพ่อยังไม่ได้เจอพ่อเลยอะคะ่ะ แต่ช่วงหลังนี้คือโยมไปกลับท่อที่วัดสวนสติธรรมมาสองทางแล้วค่ะอืมแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสถ่มกันบ้างที่น้านเลยโยมว่าช่วงหลังโยมโยมไม่ดีเท่าช่วงแรกมันไม่ดียังไงแต่แต่โยมมีความรู้สึกว่าตัวโยมเปลี่ยนไปเยอะค่ะคือตกรอยเป็นคนที้โมโหค่ะก็รู้สึกตัวได้เร็วขึ้นอืแล้วก็นิ่งได้มากขึ้นค่ะค่ ะ, คะก็ดีแล้วนี่แล้วเป็นในอะไรอ่ะ แล้วทำไ ม, ไมว่ามันไม่ดีละ่ะมันไม่ดียังไงอา้าวสายหลุดไปแล้วละ่ะไม่กระดุปกระดิกแล้วนี่คุณอมันมันไม่ดียังไงที่ว่าไม่ดีมันไม่ดียังไงหรือว่าโยมอาจจะอยากดีกว่านี้ก็ได้โอ้ถ้านั้นรู้เลยนะนั่นโลก แต่เราโลภแล้วให้รู้ทันกิเลสค <c oughs> <ล>ือพยายามตอนนี้ค่ะคือในรูปแบบโยมอาจจะปฏิบัติไม่ได้ตลอดนะคะแต่ว่าโยมใช้ใช้ว่าในระหว่างวั น, นะค่ะในระหว่างวันว่าโยมทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็จพยายามรู้สึกตัวไว้แล้วก็ยกพยายามโยมใช้บริกรรมเมตตาผู้นางอาหาเมตตาไปตลอดเนะะี้ยค่ะเนี่ยนั่นจะใช้ได้ทั้งเวลาขับรถเวลากวาดบ้านเวลา ให้าหยมลึกได้ปุ๊บนะคะหยมจะแตกบริกรรมทันทีอย่างนี้ยค่ะได้บริกรรมไปเรื่อยๆนะจิตใจเราสงบก็รู้บริกรรมไปแล้วจิตใจเราฟุ้งซ่านก็รู้บริกรรมแล้วเราก็รู้ทันจิตใจของเราไปในทุกๆอิริยาบถเลยเราจะทําอะไรได้กวาดบ้านก็ได้เราก็บริกรรมไปกวาดไปกวาดไปคนอื่นทําสโผลกเรากวาดอยู่คนเดียวชักโมโหอะไรเงี้ยรัวโมโหหรือกวาดไปแล้วสบายใจบ้านเราสะอาดแล้วมีความสุข รู้ว่ามีความสุขฉะนั้นเราทํางานไปนะเคลื่อนไหวไ ป, ไปเห็นร่างกายทํางานไปบริกรรมไปแล้วจิตใจเราเป็นยังไงคอยรู้ไปด้วยจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจดีจิตใจร้ายก็รู้นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติเรามีเครื่องอยู่ะนะอยู่กับคําบริกรรมก็ได้แล้วก็รู้ทันจิตไปเวลาเราบริกรรมอย่างเมตตาคุณนางระหังเมตตาหรือบริกรรมพุโทโธอะไรเนี่ยเราใช้จิตเป็นวิหารธรรม เราไม่ได้ใช้คําบริกรรมเป็นวิหารธรรมอย่างเราพุโทโธพุโทโธหรือเมตตาพุนางอรหังเมตตารู้ทันจิตไปเร vale ื่อยๆอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติถูกอย่างพุโทโธพุทโธนะจิตเราทุกขก็รู้พุทโธจิตเราทุกข์ก uh> ็รู้พุทโธจิตสงบก็รู้พุทโธจิตฟ mm ุ้งซ่านก็รู้ะอย่างนี้ก็เรียกว่าเราปฏิบัติอยู่ใช้จิตเป็นวิหารธรรมอย่าไปบอกใครนะว่าใช้เมตตาพุทนางเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมต้องเป็นรูปนามของเราเอง เป็นกายเป็นใจของเราคีอเราใช้จิตนั่นเองไปทำต่อไปแล้วให้รู้ใจที่อยากเสร็จอยากได้เร็วๆวให้รู้เร็วตัวนั้นใจร้อนใจร้อนไปอักเสร็จแล้วหมดแล้วมีสิบสองคนใช่ไหมงั้นก็จบแล้วละนะ จบแล้วไม่มีพิธกรรมอ่ะเนาะจบแล้วจบเลย <c oughs> <c oughs> มีความสุขความเจริญนะไปไต่ญวัดบางทีโลวงพ่อก็ให้พรนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องให้อ่ะเนาะเราโตขึ้นมาแล้วให้พรมันให้กำลังใจสำหรับเด็กเล็กซึ่งภาวนาไม่เป็นคนภาวนาเป็นแล้วไม่ต้องให้พรแล้วเพราะว่าการภาวนาของเราเป็นพรในตัวของเราเอง เนะพราะเราดีของเราได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องขอใครแล้วพอสมควรแก่เวลานะอนุโมทนาท่านอาจารย์สมชยัยแล้วก็ทีมงานทั้งหมด